ทำงานไปได้แค่ชั่วโมงเดียวฉันก็เกิดความคิดกระทันหันเอาแบบฟอร์มลางานมาพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเดินไปยื่นให้หัวหน้าแจ้งความจำนงด้วยปากเปล่าว่าถ้าไม่ขัดข้องหรือต้องการให้ฉันทำอะไรเป็นพิเศษอาทิตย์หน้าฉันขอใช้สิทธิ์พักร้อนลาหกวันติดกันตั้งแต่จันถึงเสาหัวหน้าพงกหัวทีหนึ่งอนุมัติทันทีโดยไม่เปิดจดหมาย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 ประการที่สคือหวังว่าจะได้เป็นผู้มีบารมีแก่กล้าบรรลุมรรคผลด้วยการปฏิบัติธรรมภายในเจ็ดวันกับเขาสักคนหนึ่งด้วยความคาดหวังเป็นอย่างสูงในข้อสุดท้ายนี้เองทำให้ใจมีลักษณะพละจากโลกเหมือนลาออกจากความเป็นปูตุชนคนธรรมดาในโลกจึงใสเบาเป็นพิเศษ ยอมรับแล้วว่ายัางตัดความโลภอยากได้มรรคผลไม่ขาดแต่จะให้ทำยังไงไปแบบไม่มีหวังเลยเหรอฉันก็ว่าจะบำเพ็ญเพียรเต็มกําลังไม่ใช่เป็นนอนงอมืองอเท้าเสหน่อยคนซื้อลอตเตอรี่ด้วยความหวังว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเลขท้ายก็ยังอุตสามีคนสมหวังทั้งที่นอนฟังวิทยุลุ้นอยู่กับบ้านเฉย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 ถ้าไม่ไหวก็กลับไปพึ่งลมหายใจจนกว่าจะเป็นอุเบกขาแล้วค่อยกลับมารับมือกับมันใหม่รอบหน้าดีเหมือนกันถ้าปลีกวิเวกด้วยความอยากไปเอามรรคผลจะได้เตรียมรู้ทุกเพราะอยากแล้วไม่สมปรารถนาเตรียมใช้ทุกทางใจเป็นเป้าหมายหลักหนึ่งเสียแต่เนิ่นๆที่เหลือของวัน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 ฉันจะเลือกแบบไม่ต้องแพงมากแต่ใจอุตส่าห์อยากได้หรูหรูสบายสบายหน่อยฉันรับรองกับตัวเองว่าจะไม่นอนแช่อิ่มจะไม่เปิดตู้เย็นบ่อยแต่จะให้วันเวลาล่วงไปยังมีคุณค่าใช้ทุกนาทีเป็นโอกาสทองสมราคาหมายปองมักผล